บรรดาท่านพุทธบริสัททั้งหลายต้นสมาทานสีสมาทานาระกมท า, านแล้ววันนี้เราก็มาพบพวนความรู้เดิมกันอีกแลก็จะต่อไปถึงอรหัตธรรเบื้องต้นถ้อเราการาริกษาเดิมในรับแรกเราศึกษาเรืร่อรมเดิม ส, ส, ส, สมาธิ คือพื้นฐานเดิมก็มีการ ก, กันหมดรู้ลมให้ใจเขาออกก็ว่าอนาปานุสติกรรมฐานเป็นอารมณ์ละเอียดและก็เป็นพื้นฐานใหญ่สนหรับ ก, กรรมฐานทั้งหมดอันนี้เราสามารถส่งได้กี่นาทีที่จะส่ง่ได้ตามลำดับ <c oughs> นี่ต้องทบทวนต้นเด้วยเสมอ นโยกายมีสององค์ประโสนดาบันเอวิปปโสนิดาบันมีศีลบริสุทธิ์เป็นสําคัญได้มีความเคารพในพระรัตนตรยัยคือพระพุทธธรรมะสงฆ์นี่เป็นองค์จุดใหญ่ของค์ประโสนดาบันเราทําได้แล้วหรือยังอารมณ์ของเราตรงอยู่ได้แล้วหรือยังที่สมบัติระโสนิดาบันเยกล่าวโดยเจติยาก็หนึ่ง มีบรนารุสติกมาฐานทิ้งความตายเป็นอารมณ์ก็ส่งได้ไหมประการทีสองมีพุทธานุสติธรรมานุสติแสงคานุสติสีลานุสติเทวตานุสติก็มีหางสี่แล้วก็มีฮิลิโลฮีลิโลตัฟะมีอุปสมานุสติกมาฐานเป็นอารมณ์อันนี้เราส่งได้แต่ไหน ตรงได้กบพุทหรือไม่นี่ทวนกำลังใจเราอยู่เสมออย่าทำใจให้มันลอยแลื่อย่าปล่อยอารมณ์ูกกั่น้อมไปด้านได้ของกุศลจงคิดว่าถ้าเราไม่สามารถจะส่งความเป็นประสดาบันไว้ได้เตือนใจไว้เสมอว่าเราเกิดมาพบพุทธศาสนาแล้วตีวยชาติเกิด เพราะว่าเราจะต้องทนทุกข์ทธนารย์ไปนับกลับไม่ทวนถ้าทรงความเป็นเบโสูดาบันไม่ได้เราก็จะมีการเกิดจึงแค่มนุษย์กับเทวดาหรือผมเป็นใดของความสุขแล้วก็จะเป็นมนุษย์โดยจํากัดชาติไม่ชาติก็เป็นอาณาหักผลที่ถ้าเราทรงอารมณ์อย่างนี้ได้ก็ต่อไปรกลคำของความเป็นปกิทาคามี ทิยาทามีมีจริยาทั้งหมดเหมือนกับตัวโสดาบันแต่เ้ืองว่าระงับความโลภได้มีไดอาการมีจาระสติกรรมฐานเป็นอารมณ์ต้อปฏิบัติ ด, ด้วยแล้วก็ระงับความโกรธในการทรงพอมีหังสีเช่นคนยองถึงสึงขั้นอภัยทาน เพื่อให้อภัยกับคนที่มีความผิดไม่เสียโทษโกิดเรื่อไม่ดึงเอาไว้นานๆเพรที่ว่าไม่มีพยาบาิไม่จองร่างไม่จองผลานบุคคลคนนั้นมันเทาความหลงมันได้มากกว่าพระสูนดาบันนอกจากเขาจะไม่ทิ้งความตายเป็นอารมณ์แล้วก็เห็นโทษร่งกายเกิดเห็นโทษร่างกลางมีตันข่าว่ามันเป็นปัจจัยของความทุกข์ นี่เป็ น, นการของพระิกรษทาคารมีเราทำได้หลดยอย่างมียเพพาะอย่างยิง่งอารมณ์ผลิภานมีความจับแน่นหนาขึ้นนี่ต่อไปสั้งแักพระนาคามีรักษาจะมาแล้วพระนาคามีตัดขังโยกได้อสองตัดได้ดิษานนี่นก็คือกรรมฉันทะเห็นโทษของการามาคุณ แต่การสเสวยกรรมคุณเป็นไปฏิความทุกเป็นปัจจัยของความทุกที่เราจะเห็นได้ไง่ายๆที่คนแต่งงานเขาไม่มีอะไรเป็สุขอยู่คนเดียวเป็สุขดีกว่ารองคู่เขมาต้องอาใจคนอีกพวกหนึ่งถ้ามีลูกมีหลานมีเหล็ขึ้นมาจะทุกข์มากหนักขึ้นกามาคุณไม่ได้โทษไม่ได้คุณบริการใด ดิ้งมาซึ่งความทุกข์อย่ตลอดเวลามีความไข่ไม่มีที่ที่นสุดเราคนเดียวมีความปรารถนาวัตถุชิ้นเดียวถ้าไปอยู่สองครองคู่ปรารถนาวัตถุสองชิ้นและสองเท่าถ้าว่ามีลูกมีเต้าก็มีความปรารถนามากขึ้นต้องลำบากมากขึ้นเป็นปัจจัยของความทุกข์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 แต่ว่าตัดความกำนัดในเพศและในสีสันวรนละที่ใดหมดไม่มีความหนลงหลงไม่มีความปรารถนาในสีสันวรนละและเพศใดๆจึงก็ะทั่งความรู้สึกในการมารุมหายไปเหมดแท้สนิทแล้วก็สัญญอข้อที่สองคือิ้ะซึ่งามืุดแรกสีทาคามีมีความปวดเบาบางความโปวดเกิดขึ้นให้อาไปนี่แสดงว่าความโปวดเบามาก สำหรับพระอนาคามีไม่โกรเลยปัตตอารมณ์ปริาากาคือการกระทบใจหายไปมีด้วยความเมตตาปราณีที่สู่ใจมีสมหรับพระสิทธาคามีคือเดคนนี้ครั้งเดียวาาก็ปฏิพันสำหรับพระอนาคามีตายจากคนไปเป็นเทวดาหรือ ผ, ผู้คนิพันธ์บนนั้น นีความรู้เดิมเราเรียนรูาษามาได้ทั้งเขียงนี้เราทําได้แค่ไหนวัดกํลาลังใจว่าให้เป็นปกติอันนี้สำหรับพระอรหันต์ความจริงถ้าเป็นพระอนาคามีแล้วเป็นพระอรหันต์ไม่ยากเพราะกิเลสยากทั้งหมดเราทําลายลงไปได้ดะจะาาได้แล้วจากพระอนาคามี จำอยากพระหันเราก็หนึ่งเราไม่เามาในรูปใบชาลสองเราไม่เมาในอรูปใบชาลนี่ก็หมายความว่าเรามีความเราก็พอใจในรูปใบชาลและรูปใบชาลเหมือนกันต้องทรงไม่เป็นปกติแต่จิตใจของเราไม่ยับยังอยู่เพียงนี้ว่ารูปใบชาลดีแล้ว่ารู้อารูปใบชาลดีดีเกินไปกว่าที่เราไม่ต้องการอย่างอื่น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 ตอนนี้ที่เรารห็นว so, ่ร so so, ูปฌานนะรูปประชานเป็นของดีก็เจริงแหละแต่ถ้ว่ายังไม่ถึงที่จริงที่เราจะต้องปฏิบ so ัติเราก็มีความไม่ประมาทก้าวต่อไปตอนนี้ความจริงระวังให้ดีนะเราอาจจะผิดว่าเราเป็นอรหันต์ไปสัก็ได้เพราะอารมณ์ในอารมณ์ของเรามันอยากอยู่แล้วในเมื่อเราทําลายความอยากของจิตได้เราจิตมันเบามีความปลอดปล่งมีความเป็นสุข อารมณ์แหงการรักในเพศรักสีสันมณะไม่มีอารมณ์ของความโกรธไม่มีเราไม่มีความประมาทในชีวิตเราจะคิดว่าเราเป็นพระอรหันต์เป็นอย่างที่เราก็พิจารณาต่อไปว่าการไม่เมาในรูปวิชานและรูปวิชานนี่ไม่ขอไม่ยากเป็นเพียงใช้กําลังจิตก้าลงไปหน่อยเดียวก็ใช้ได้ว่าเราไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าตอนนี้อย่างดีไม่พอ วันนีหรับการก้าวต่อไปนี่เป็ของหนะักนั่นก็คือการตัดมานะความสีตัวสีตนก็นาคามีนี่ยังมีมานะการสีตัวสีตนคือการ <c oughs> การนี้เขาเข้าไปตัดมานะ <c oughs> ก็ตัดกันตรงไหนความจริงกิเลสทั้งหมดตัดตัวเดียวที่สกายะที่ ถ้าไม่เห็นว่าแต่ภาพร่างกายมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราที่อย่านเดียวเราก็หมดความรู้สึกที่ถือตัวถือตนเราถือตัวทถือตนว่าเราดีกว่าเขาบ้างเราเสมอเขาบ้างแต่เลวกว่าเขาบ้างเอาอะไรมาเป็นสังวรเอาฐานะเอาศักดิ์ศรีเอาวิชาความรู้เอาสภาพ สภาวะาที่คงอยู่กระเสื่อเงเยื่อหยามก็อย่างนั้นหรอมันก็ผิดทางนั้นอะไรมันจะดีคันห้าของเรากับคันห้าของเขานะี่ยดูที่อะไรมันจะดีกว่ากันเขามีอาการสามสิบสองเราก็มีอาการสามสิบสองแล้วมันเหมือนกันไหมอาการสันสิบสองของเขากับอาการสันสิบสองของเรามีความเกิดขึ้นในบงส่วนเหมือนกัน มีความเปลี่ยนแปลงไปในท่ากลางเหมือนกันมีการสลายตัวไปในที่สุดเหมือนกันนี่เป็นจุดแรกที่เราจะพึ่งมองเห็น แ, แล้วเราก็ลองไปนั่งวัดดูว่าไอ้เราดีกว่าเขาชั่วของมันตรงไหนเอาเงินเอทองที่มีมากกว่ากันมาเป็เครื่องวัดเช่นกันหรือในเงินทองมันห้ามความแก่ห้ามความป่วยห้ามความตายห้ามความทุกข์ได้ไหม มันก็ไมนได้เลยนะว่าเราจะมีทรัพย์สินสไตว์รก็ตามทีเราก็ต้องแก่ต้องป่วยต้องตายมีทุกข์เหมือนชาวบ้านน่าอะไรมาดีกับพระราบันี้หากว่าเราจะมียศธรรมบรรดาศักยศธรรมบรรดาศักมันช่วยเราดีอะไรขึ้นมาบ้างช่วยมาให้เราแก่ได้ไหมช่วยมาให้เราป่วยได้ไหมช่วยมาให้เราตายได้ไหม เกิดมาให้เราก็ทุกกระทั่งกับกฎข้อธรรมดายเกิดโลกประทําได้หรือเปล่าไม่มีไม่ได้มัมนห้ามไม่ได้นี่เอาตระกูลมาไป็เครื่องวัดเราเกิดเป็นชาวตระกูลเขามาหาเศรษฐีบ้างเกิดเป็นตระกูลเขาก็หาบนญดีบ้างเกิดเป็นตระกูลเขาก็ตัดบ้างเกิดเป็นตระกูลพวกคนร่างผู้ใหญ่บ้างแล้วก็ต้นตระกูลพวกเรานะ่ดีกว่าชาวบ้านอย่างนั้นสิ ต้นตะกูเขาจะบ้างเขาตายเป็นแถวแถวต้นตะกูเขาตายหรือเปล่าต้นตะกูเขาจะบ้างของเขามีความป่วยไข้ไม่สบายต้นตะกูงเรามีความป่วยบ้างไหมต้นตะกูเขาเขาแก่เราต้นต้นตะกูเขาแก่เป็นไหมมันก็เหมือนกันอีกในเมื่อสภาวะมันเหมือนกันแล้วก็มองไปดูที ว่าจิตที่เกาะกันห้าเจียเกาะจิตที่ถือมันมีมานะที่ถือเป็นสำคัญถือว่าเราดีกว่าเขาเราเสมอเขาเราเร็วกว่เขาเนี่ยมันเป็นจิตดีและจิตสามเราก็เห็นว่าอา ก, การมานะตัวนี้สร้างอารมณ์จิตให้เป็นทุกข์ถ้าเราคิดว่าเราดีกว่าเขาเราก็มีเพื่อนน้อยแล้ว เพราะเราก็คนที่เราเห็นว่าเขาเลวกว่าเขาตำต้อกยกว่าเราเยเขาเลวกว่าเราตำต้อยกว่าเราเราก็คบเขาไม่ได้เลยเมื่อมีคนเพื่นอนดันเข้ามาใจเราเกิดความไม่สมบายในการไม่สมบายอย่างนี้พระรางเกศเขาจิดมันไมสดเขาเป็นทุกข์เป็นอัารมณ์คนเราหาเพื่อนยาก เมื่อมีเพื่อนน้อยความทุกข์มันก็มากความเชื่อนอกเคล่นใจมันก็ไม่มีนี่เมื่อเวลาเข้าไปสมัมผัสกับเพื่อนตอนนี้ถ้าเราเห็นว่าเราเส ม, มอเขาเราเท่ากับเขาอนเท่ากันตรงไหนไอ้คนเท่ากันจริงๆนะมันจะต้องเกิดตับมาเส ม, ส ม, มอกันแก้ด้วยกันพร้อมๆกันป่วยพร้อมๆกันหิวพร้อมๆกัน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 การคิดว่าเราดีกว่าเขาเป็นการข่มรู่เสียจิตญาณคิดว่านองตอนเมตนตนเป็นใหญ่ถ้าเราคิดว่าเราเสมอเขาไม่ก็เสียอีกต้องบางคนเขามีเจเยจริยาน เ, เรวบดงคิดว่าเรากับเขาเสมอกันเราก็ต้องพยายามเร็วตามเขาให้ความเร็วมันเป็นปัจจัยของความพกุกไม่ใช่ปัจจัยของความทุกข์ทนี้ถ้าหากว่าเขาดีกว่าเรา เราดีไม่เท่าเขาเราคิดว่าเราดีเท่าเขาก็เกิดความประมาทความประมาทอะไรมีการทยเยอทยายคิดว่าเราดีก็เป็นการทำลายความดีที่เราจะเป็นแสวงหาต่อไปเป็นอันว่าการที่คิดว่าเราเสมอเขามันก็เป็นส่วนหนึ่งความเร็วตอนนี้ต่อมาอีกข้อหนึ่งเราคิดว่าเราเร็วกว่าเขา ตอนนี้ก็เป็นการทำลายความดีของตนเองจิตใจมันก็หาความสุขไม่ได้หมดเป็นอันลรการถือตัวถือตนหรืว่าเราเสมอเขาก็ดีเราดีกว่าเขาก็ดีเราเลวกว่าเขาว่ดีเป็นปัจจัยของความทุกข์อันี้เราจะวางใจยังไงที่จะสบายอการที่เราจะสว่างใจในตอนนี้ก็วางใจติดรู้ว่า สลาวิทุกขาความแก่เป็นทุกข์โมระดำทุกข์ความตายเป็นทุกข์โสกกาปรีเทวทุกขโทมนัสฟายยากความเศร้าโศกเสียใจเป็นทุกข์ทุกมาจากไหนทุกมาจากการเกิดในกายเกิดที่มันมาจากไหนมาจากกิเลสตัณหาอุปาทานและปุถนกรรมเป็นอนวัวางใจถึงกลาง ใครจะดีใครจะชั่วอย่างไรก็ช่างเราทำใจไว้เสมอถึงคนใดเขาดีก็ยินดีกับเขาถึงคนใดเขามีความสม่นเสมอก็เราโดยทําเราก็พอใจถึงใครเขวเลวกว่าเราเราก็แสดงธรรมสังเวชว่าเขาไม่น่าจะระหมาดในชีวิตควรจะคิดปรับปรุงตัวควรจะคิดปรับปรใจให้มีความดี เป็นอันว่าเราจะไม่เหยียดหยามใครเราจะไม่ตีเสมอใครเราจะไม่ข่มขู่ใครรักษากำลังใจของเราให้เป็นสุขอารมณ์อย่างนี้ไม่มีมีอารมณ์อย่างเดียวที่เราเราียกเขาว่าอุเบกขาวางเฉยเขาเรียกว่าพยาธิไอคําอุเบกขาวางเฉยตัวนี้มันไม่ไม่ ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับความสุขแล้วไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับความทุกข์มันเฉยเป็นธรรมดาใครก็รรจ า, ราจะไงก็แฉะปรับปรุงใจเท่าไรมีความสุขให้คนดีเข้ามาให้คนเสมอเรามาให้คนเลวเขามาเราก็มีจิตใจเชื่อมบานตลอดเวลาไม่เย็ยดไม่ย้มไม่ ค, ค่มขู่ไม่ทีเสมอทําใจสบายเป็นกลาง ถ้าทําใจอย่างนี้ตัวมานะทิถิมันก็ไม่มีมานะทิถินี่เป็นปัจจัยของกามทุกขละวังให้ดี <c oughs> มันจะดึงเราให้จมลงไปในอบายภูมิได้แต่เพาะว่าเป็นพระนาคามีแล้วอีกตัวมานะทิถิเอยมันนิดเดียวยังมีความรู้สึกว่าแม่นี่เราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แลว้วจิตยังประกอบไปในความเมตตาปราณีมาก การพนองตนไม่คนที่มีกิเลสหนาะไม่มีนี่เป็นอนุวาากันตรงอภานาคามีมีมานะอยู่นิดหนึน่งนะฮะไม่ใช่ยากอย่างที่พูดมาเมื่อกี้นี้เมื่อเมื่อที่พูดมาแล้วเมืเ่อสักครู่นี้ก็หมายควว่าเป็นมานะของคนที่มีกิเลสหนาะทุกตัชนสำหรับพระนาคามีมีก็มีหางสี่ก็คนแล้ว เวลานี้เราก้าวเข้าไปสู่ความเป็นก็อรหัตมรรมแต่ใ น, นตัวมานะทีตัวเทือัตนมันมีอยู่นิดเดียวยังมีความรู้สึกว่าเราเป็นกษัตย์มีความรู้สึกว่าเราเป็นคุ้นางผู้ใหญ่มีความรู้สึกก็อยู่ว่าเรามีฐานะดีมีฐานะจนยนูิใเศอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าอารมณ์อย่างนี้มันก็มีนิ ด, นดนนนเดียวเพียงแค่เป็นอนสัยเท่า น, นั้น ไม่มีปัจจัยที่ให้เกิดโทษไม่มีปัจจัยที่ให้เกิดทุกข์หลักแต่ว่ามันก็เป็นอารมณ์ทังยังมย ह, क, आ आ ยไม่สามารถให้เราก้าวเข้าไปสู่พระนิพพานในชาตินี้ได้ดัะนั้นจึงวางอารมณ์เสียใครเขาจะยังไงก็แฉงเขาจะดีเขาจะชั่วเขาจะดิบเด่เขาจะเลวเขาจะยังไงก็ตามเสะไม่สนใจ เห็นหน้าคนเราคิดไว้เสมอว่าเป็นคนที่เราควรจกบการปรานีเห็นหน้าใส่แล้วก็คิดว่าเป็นปฏิคนแก่การปรานีพยายามไม่เที่ยวตนคนและใส่ก็ตามที่ว่ามีธาตุสี่คือธาตุน้ำธาตุดินธาตุดมธาตุไฟเสมอกันมีอาการสามทิสองเหมือนกัน ที่ความเกิดขึ้นในเมืองต้นมีความเปลี่ยนแปลงทั้งกลางมีการสลายตัวไปในที่สุดเหมือนกันสร้างอารมณ์ให้เป็นสังขารเปรีายาญใน น, าานิพพสนาญาณอย่างนี้การระงับการเีตัวที่ตนย่อมเป็นของไม่ยากอย่ามองคนด้วยฐานะอย่ามองคนด้วยศักดิ์ศรีอย่ามองคนด้วนะ ย, ค, ย ค, ความรู้ความสามารถมองคนเปไ็นที่พึงวา สภาพของเขาเป็นวัตถุเหมือนสภาพของเราจิตใจของเราพร้อมในการไม่จาบราณีไม่ถีตนเขายมาในฐานะชินใดก็ช่างที่ว่าเพื่อใเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันหมดช้วยกำหนดอารมณ์อย่างนี้เราก็สามารถจะกงจัดตัวมานะความถีตัวถีตนนั้นได้ย า, า, านี่เรียกว่าอรหัตมรรมตอนนี้อรหัตมรรมตัวมันยังไม่หมด อุทจจะตัวสำคัญคาว่าอุทจจะแปลวาอารมณ์พูงส่านยังมีความต้องการนอกเหนือไปจากพันธานั่นก็คือหมายความว่ารู้สึกว่ามีอารมณ์เป็นสุขอารมณ์เป็นสุขีนบางครั้งมันเกิดความพอใจคิดว่านีเราจะทำไปทำไมเนาะดิ้นรนไปทำไม เมื่อเราเป็นพระอ น, นาคามีแล้วตายเป็นเทวดาแล้วพร้อมเราก็มีทานบนนั้นบางครั้งมีอารมณ์ประมาดอยู่นิดหนึ่งแต่ว่าไม่ได้รำมาดแต่ได้ของอกุศลรำมาดในการย้ำยับย้างสิ่ของผลว่าทําไปก็เหน่อยหน่ยายเปล่าๆใจเราก็สบายแล้วเราตายเป็นพรมก็เป็นเทวดาแล้วก็ปฏิภาณเรายับยั้งความดีไว้แค่นี้ดีกรมั้น บางครั้งมันมีความรู้สึกอย่างนี้ขึ้นมาถ้าเขาจะกล่าวว่าเป็นโทษเนี่ยมันก็ไม่เป็นไอ้อโทษอะไรทํานล้วมันไม่เป็นแต่ว่ามันเป็นการกักตัวเองว่าในชั่วขนาดนึงตอนนี้ท่ยังไรเราก็ตั้งใจไว้โดยเฉพาะรักษาอารมณ์อุปสมานุสติกรรมฐานเป็นอารมณ์ว่าแกนิดหนึ่งเราจะไม่พึงให้มีในชีวิตของเรา เราต้องการพนิพพานในชาตินี้โดยสรุปตัวไทยเส้ยทัยนทีเพื่อตัดอวิชาความโง่มนันล้งใงรข้คนว่ามนุษย์เป็นโลกคนดีเอวโลกคนดีสมุมโลกคนดีเป็นดินแดนที่ไม่พ้นความทุกข์ความทุกข์มัมีก็เราได้ทุกข์นากจิต เราเป็นมนุษย์เต็มไปด้ความร้อนความหนาวความหิวความกหายความปวดความเมื่อยปวยไข้มีความไม่สบายมีความตายเป็นิสุดมีกายกระทบกระทั่งกายของคนชาวโลกไม่เสียเรื่องโลกมนุษย์ไม่ดีเทวโลกกับภูมโลกไปพักความดีอยู่โกกล่าวไม่มีความหมายใจของเราตั้งกองอย่างเดียวคือผลิตภัณฑ์มีผลิตภัณฑ์เป็นอารมณ์ ใจจิต ถ, ถึงตอนนี้ระเบรรดาท่านพุทธบริษัทธจิตจะเบามากเหมือนก็มีความรู้สึกว่าเราไม่ได้อะไรเล ย, เลยจิตมันสมบูรณ์สมบันกำลังฌานที่เราเคยมั่นคงโกเทลมนิ่งมีความหนักมันจะสลายตัวไปแต่ว่าจิตใจเขาเรามีความสุขจะกระทบกระทั่งอาการอย่างใดก็ตามทีไม่มีความรู้สึกว่ามันจะมีความลําบากไม่มีอะไรที่จะมีความหนัก ไม่มีอะไรที่จะทําจิตใจของเรให้เราร้อนได้ยินเสียงคนด่าก็สบายใจคิดว่าเขาไม่น่าจะทํำความวทั่วเป็นปัจจัยของความทุกข์ไยินหึงใครเขาสัเสรเญแล้วก็ไม่มีความสุขใดๆไม่ไม่ไม่ไม่ไมคยร้อนรู้สึกว่าความสังเวยไม่มีความหมายเราดีขึ้นมาได้ไม่นจะอาศัยการสังเวยหรือว่าถ้าเราไม่ดีก็ไม่ใจอาศัยการแกล้งดา่าเขาบุคคลใด เหตุความดีจะมีขึ้นมาได้และไม่มีดีไม่มความไม่ดีจะมีขึ้นมาได้เพราะว่าสายเราปฏิบัติเท่านั้นถ้าจิตใจของบรรดาชนพุทธบริษัททรงได้อย่างนี้เรียกว่าราตัดผลอาราบรรดาชนพุทธศาสนาชนต่อที่นี่ไปกาลเวลาต้องคนงแล้วเพรทุกท่านตังต้งใจให้ตรงและมดว ง, งจิตให้มัน่น กาหนดรู้เรไม่ใจเขาออกใช้คำภาว น, นาลนธาิกิรณาธามะติยาใสเพื่งกว่าจะดีนินเสัยงญาณบอกบทเวลา